ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่หกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรดิานีคติธรรมชาดกแผ่นที่หกให้คติธรรมหัวข้อว่านาหิงเสปารังอตตกาโม ผู้ที่รักตนก็ไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็คือเข้าข่ายสี่ห้าของพระพุทธเจ้าเพราะพรุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสี่ห้าของพระพุทธเจ้าห้เราสังเกตดูสีนข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันอย่าคิดฆ่ากันถ้าฆ่าคนอื่อนเขาฆ่า สามีภรรยาลูกหลานตระกูลของเขาเขาก็เสียใจแต่เขามาข่าเราก็เสียใจถ้าเราไปคิดขโมยเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาคิดขโมยเราเราก็เสียใจถ้าเราไปนั่งหลัะลวงในสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขากระทาต้นตุนหลอกลวงโกหกเราเราก็เสียใจถ้าเราดึงสุราเหมือนเหมาคันชาดาฝิดเหตุผสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แล้วเราขาดเจตีเราก็ไปทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเมื่อทำความเสียหายข้าไปแล้วนั่นแหละก็ต้องเบียดเบียนคนอื่นวอย่างทั้งเบียดเบียนตนด้วยทั้งเบียดเบียนคนอื่นด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราพวกท่านตรวจตราอุทธเด์ถ้าเมื่อเรารักตนก็ไม่ควรเบียดเบียนตนและผู้ ไม่ควรจะทําความชัวควนจะมีสินห้าคนจะมีผลกระบิดถ้าเรารละตเล้นเสียจะเราเราไม่รักตกลเราควรปล่อยปล่อยล่าเลยร่วงเกินสินห้าผลที่สุดมื่อทำความชั่วเสียหายเข้าไปแล้วนั่นแหละคุกตลาดนั่นแหละจะขังคนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีสินห้าคนที่ขาดสินห้าคุกตลาดไว้ขังสำหรับคนขาดสินห้าคนไม่มีสินห้า การให้พวกเราตรวจตราดูตัเด็ให้สหําูรวมกายว่าจาจของเราให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีสิทิ์ถ้าคนที่มีสิทมีมีสิลดีแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดใ น, นสถานทีน่ใดก็มีแต่ความร่งเย็นเป็นทุกไม่เบียดเบีย น, นตนและผู้อื่นนี่แลักทางคำสอนของพระพุทธเจ้าสิน5ห้านี่แหละเป็นสิลคุ้มครอง สินห้าของพระพุทธเจ้านี้แหละทาให้รเราพร้อมเย็นเป็นทุกขหน้ากลั้นการไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นก็คือสินห้านี่แหละคนที่มีศินห้าปิดอวายวะผุไม่เขา้าฟุกในชาตินี้ไม่ตกไปในที่ชั่วในชาติเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตว์ทีราชาติไม่ตกไปในตางตับมีแต่ทางสูงเ อ, อมีแต่ทางสูง่ปิดอวาาัยวูผุมีแต่ไปสู่ ความสุขความจเจริญ ม, มาเกิดเป็นวรรณะก็เป็นมนุษย์ที่ดีออกทางรรณทางสูงก็่านนไปสู่ ส, สวรสด์ชั้นพรหมจนถึงหมดจบจากกิเลสละกิเลสตักกิเลสภายในคลิปได้ได้ด้วยด้วยสิ่งและด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่แหละโดยอํานาจคุณพระสีรัตน์ไรพระพุทธเจา้าพระธรรมพระธรรม พ, พระสงฆ์สิ่งสังสิทธ์ทั้งหลายย้อยมาคุ้มครอง ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโรกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่นในกรอบของศีลธรรมขอให้สมความดับปรารถนาทุกท่านด้วยเถอ